ก็พวกเราก็ได้ฟังแล้วก็พิจารณาธรรมะแล้วก็พิจารณาตัวเองว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นโอกาสที่ดีหลังจากทำวัดก็มีใจก็สงบดูอะไรก็ชัด ที่เจ่มแจ้นก็พระพุทธเจ้าก็สมธรรมะเป็นรักธรรมก็เป็นอริยสัจสีอริยสัจสีก็เป็นทุกเป็นสมไทย แล้วก็เห็นน <c oughs> ีโลกเป็นมากนี่ก็เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นไปที่สุดที่เป็นสำคัญอันยินเราก็พิจรารณาก็ได้มีประโยคหน้า แอนด์ดื้ตัแต่ทุกทุกขันอันนี้ก็ให้ทำให้เราดูแล้วก็สัมผัสธรรมะสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเช่นนั้นได้ชัดดีเราก็ยอมรับความทุกข์นั่นเองมันความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเราไม่ได้คิดไปหรือ เอาอ้างเรื่องอดีตนานาคตหรือว่าเรื่องด้านโนอกว่าเขาว่าเร า, าเขาว่าดาเราหรือว่าอดีตเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยความทุกข์ก็เลยหลอทุกข์อันนี้ก็ เราก็มาจะคิดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วนี้ก็เป็นความคิดถ้าเราความคิดแล้วก็แหงธรรมะไม่ได้พระตจ้าก็ว่าแห่งกายในกายแห่งเวทนาในเวทนาแห่งจิตในจิต เห็นธรรมในธรรมอันนี้ก็เป็นสำกัรมากแล้วก็ให้กลับมากายกลับมาเวทนาจิตเป็นธรรมถ้าอย่างนี้ก็ได้แห่งความจริง ที่เรายกมือสั้นจังวะเรียกว่าดึงกลับมาดึงกลับมานี่หมายความว่ า, วาความคิดก็ไปอดีตอนาคตแล้วก็หาเหตุทาผมหรือว่าเขาว่าดาเป็นสังคมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยเราก็เป็นทุกข์ ก็อ้าหรือว่าอ่าเหตุผลด้านนอกหรือว่าเป็นเรื่องเวลาอาดีตอนาคตอันนี้ก็สแสดงว่าไปแล้วก็เลยให้ก็เลยให้กลับมา กลับมาแล้วก็เราแห่งความจริงได้ถ้าไม่กลับไปอดีตไปอนาคตไปนี่ไปนู่นมันจิตไปพึ่งสร้างไปแล้วก็ก็แห่งความจรินไม่ได้ก็เลยพระบุทเจ้ากา็อ่างกาย ดูแห่งกายเห็นในกายให้กลับมาแล้วก็ได้ดูจริงๆก็เราก็ว่าเป็นทุกสัปเปสังกาละทุกขาก็ยอมรับความทุกข์ เราก็หาเหตุท้าผมไม่ทำก็เราก็ความจริงได้จริงๆแล้วก็มีเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันหลายอย่างไม่ใช่เป็นดันโนกอะไรทำอะไรตัวเราหรือว่าอาดีตก็ทำลายเราไม่ได้ จจิงแล้วมันปัจจุบันนี้ที่นี่ก็ทำกันอยู่สร้างปัญหาสาร้างความทุกข์เราไม่ต้องอ่านเรื่องอดีตชาติเราก็ยอมรับความทุกข์แล้วก็มัน ความคิดก็ไม่ได้ฟพ้่มไปก็โดยเราก็ชัดดูชัดได้เห็นชัดได้ว่าเป็นง่ายๆเป็นธรรมดาธรรมดาอ้อกาทุกข์เพราะว่าทางหาปัจจมันก็เกิด ไม่ชอบไม่ยินดีไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้ก็เลยมันก็เกิดความทุกข์เราก็เข้าใจว่าไม่ใช่ด้านนอกเรื่องอดีธอนาคตอ่านี่แหละปัจจุบันนี้ ที่เราก็มันยุดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนว่าสัตว์ว่าเป็นของตนก็มันเป็นเข้าใจปิดเป็นนบิจาทํทำให้เกิดสังการเป็นสิ่งปรุนเต็ง กิดไปลกิดเนินนี่เองเป็นบิญญาณก็สร้างงารูปงามนามรูปแล้วก็เกิดอายตนะเป็นเบตนาไปเรื่อยๆ เ, เป็นต่างหา้าประกาน แล้วก็ทุกขั น, นี้ก็เป็นสกัดที่สิ่งที่เป็นไม่จำเป็นที่จะคิดไปได้เพราะว่าอยอมรับร้ายแล้วเราก็ไม่ต้องสาหาสาเหตุอะไรต่างๆด้านโนอดีตอนาคตก็จชัด ว่าเป็นทางหาปตานังเองเป็นสิ่งที่เกิดก็เป็นความทุกข์ก็เกิดทันทีไม่จำกัดการเป็นสาเหตุที่เป็นจิตสังขารับ ไปก็ความทุกข์ก็ดับไป ท, ทันทีก็ไม่มีไม่อะไรก็เป็นจิตปกติกลับมาแล้วก็เกิดทุกข์ไปอีก ทุกทางกายทางใจแต่ว่าเราก็มาดูเห็นโดยไม่รูปตัวมีสติมาดูด้วย ก็ทุกครั้งก็มีทางหาประทานก็มีอยู่อ้อเป็นเจนนั้นก็เป็นบทเรียนก็ดูกายดูใจนี้ก็เป็นคำตอบมาออกมาโดยตรงเองแล้วก็รู้ว่าอ้อพระพุทธเจ้าผู้จรินตามจริ นี่ก็เป็นเห็นรู้ว่าเป็นเหตุที่บังเกิดขึ้นได้แล้วไม่ได้มาจากเป็นพระเจ้าก็ให้เราทุกข์ว่าเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตทำให้เราทุกข์ก็ไม่ใช่ แล้วก็มันเป็นไม่มีเหตุก็ไม่ใช่มันเกิดขึ้นเพราะตังหาปัญามีอยู่แล้วก็เลยปล่อยไปถ้าปล่อยได้แล้วก็มี เป็นความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ก็มันก็เป็นอิริถมันเป็นผมเพราะเราปฏิบัติแต่มักไกลก็ดีถ้าเรา เดินทางมักอมแผลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้ผลเป็นนิพพานเป็นอิโดรดับความทุกข์รพรรธเจ้าก็ ก็ให้ เ, าเราก็พยายามเดินทางพระพุทธเจ้าก็เพือให้แสดงให้เป็นที่เราทำาายังไงคิดยดังไงดูยังไง ปฏิบัติย่างไงก็บอกชัดแจ่มมากแค่เราทำตามรอยเท้าของพระเจ้าไปเรื่อยๆจะได้เห็นด้วยตรงเอน เข้าใจชัดแล้วก็ทุกข์ก็น้อยลงน้อยรอ ง, อรองเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ก็ทุกข์ก็เกิดเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะมีเหตุ ก็ความไม่รู้ตัวเป็นแล้วก็เป็นต่างหาประธานหยุดมั่นถือมั่นแล้วก็จอกดีเป็นการบิดีพระเจ้าสเป็นสติปัฏฐานสี่ แล้วเราก็ใช้วิธียกมือสร้างจังวะเดินจองกรมโดยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแลดูกายดูใจหยุดกับกายกับใจแล้วก็ให้เชดให้รู้ธรรมะธรรมะอารมณ์ นี่ก็เป็นเกิดขึ้นดับไปไม่ใจเป็นตัวบุคคลไม่ใจเป็นสัตว์ไม่ใจของเราไม่ใจตัวนี่ก็เป็นแก้เป็นอาคารเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าเราก็ ถ้าคิดก็มันก็มีเป็นตัวเป็นตนได้เพราะว่าความคิดก็สร้างแล้วก็ให้เป็นให้สิ่งที่มีได้แต่ถ้าเราก็ ไม่ได้ใช้ความคิดสติันสัมปัตก็หรือธรรมชาติแห่งธรรมะแห่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตอมแล้วก็ ปรารถนาสินใดก็ได้สินนั่งก็ไม่ได้เป็นทุกข์กานไม่เที่ยนไม่ความไม่พอใจความพอใจ นี่ก็เป็นอาคารเกิดขึ้นแล้วดับไปความดีจินได้ก็เกิดตลอดก็ไม่ได้แล้วก็ดับไปความโกรดความรอกความล้มก็เกิดขึ้นแล้วดับไป ก็เป็นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เป็นอาการไม่ใจตัวไม่ใจตมไม่ถาบรสิ่งที่เป็นปรากฏการณก็ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นธรรมชาติธรรมชาติด้านนอกต้นไม้ก็มีเกิดแล้วก็ก่อยๆเฮียวแ h e แลวก็ก็ตายไปร่างกายเราก็เหมือนกันเซลของเรา อยู่ในร่างกายก็เหมือนกันเป็นผมเป็นฟันนี่ก็เหมือนกันก็ขึ้นดับไปปราทิ์ก็ออกมาแล้วก็ พอตกแล้วก็มืดมืดแล้วก็สว่างขึ้นอีกฟ้าก็สีฟ้าแล้วก็ดำเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตใจ อาการก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เป็นไม่เที่ยนก็เราก็ให้เป็นผู้เห็นแปลอาการเป็นอาการด้านนอกก็ดีด้านไหนก็ดี เหมืนกับว่าบอมเม่ใที่บอมมาก่อนถ้าบอมเม่ก็มันไ ม, ม, ม่แม้มว่าเป็นที่ที่บ้านที่ทำงาน ก็มันก็มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราก็เป็นสวรรค์สวัย้เราก็ดูรู้ทำบอมแม่แล้วก็ใต้แม่ใต้แม่ก็ฝนตกบ้านมีสี ดำสีขาวแต่ว่าบมแม่ก็มันเป็นสว่างสวายแต่ว่าเราก็ขึ้นไปอีกก็เป็นยานนาว ก, กาศก็ไม่มีตอนเช้าตอกนกลางคืน ขอช้าก็ไม่กล้ามาเป็นเหตุปัจจัยก็เกิดท้องที่เมือนไทยเมือม่อเมื่อก็ที่สหรัฐอเมริกาก็สวานเพราะว่ามันพระอาทิตย์กับโลกก็มันก็เกี่ยวกล้อง เป็นเหตุปัจจัยก็สว่างขึ้นดามืดก็มันก็มันเป็นเจน น, นั้นเจนนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติเลื่อนๆื่อนจิตใจเราก็เหมือนกัน ไม่ว่าเราก็ทุกหรือว่าอินดีินร้ายก็มันก็เป็นอาการอยู่ที่ใจเวลาเดียวกันก็คงเอื่ก็ไม่ทุก เพราะว่าไม่มีเหตุไม่มีผมแผ่นแก่อาการที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แล้วก็ให้เป็นอิสระจากอาการที่ต่างๆเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะว่าไม่ยุด มันถือมั่งไม่ทิศเหนียวกับมันเรื่อยๆปล่อยไปเป็นสระให้เห็นชัดสินที่ถูกเห็นนี่ก็ไม่ใช่เป็นเราเป็นตนเพราะว่า มันก็เป็นสิ่งที่ถูกแหงก็ไม่ใจของเราก็เลยเราก็เห็นได้แล้วก็แสดงว่ารู้ว่าไม่ใจเป็นไม่ใจตนทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติแทนไปแฮไปแทนผมแทนต อาจจะอายตาิฉั ย, ยก็เป็นเหตุปัจจัยท่านดูเกื้ขึ้นก็ดีเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างไรก็เราก็ยกขึ้นขั้นเดียว แล้วก็สติเห็นมันกายเห็นใจขั้นหนึ่งแล้วก็ก็ได้มีปรารันแล้วได้เป็นเคยชินแล้วสิ่งที่เคยชินเป็นทุกข์เป็นตังหาปาวปางก็ก็หายไป เป็นเคยจินเป็นก็ลดลมไปลดลมไปแล้วก็เป็นเคยจินเป็นจินที่ดีเป็นกุศลเคยสละจากใจิสระจากตัวตน สุราจากาการต่างๆที่เกิดขึ้นสุระจากความคิดเพราะเราก็เป็นผู้ที่เป็นนิพพานแล้วเป็นผู้ที่สระนั่นเอง ถ้าเราอิสระได้แล้วก็จะก็ใช้ได้ใจเป็นประโยชน์ใจกายให้เป็นประโยชน์กายนี่ก็เป็นวัดก็ว่าได้เราก็รักษากายให้เป็นประโยชน์ รักษาใจให้เป็นประโยชน์เราก็ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ให้ใช้คำสะคศัพท์เรื่องอดีตอนาคตรเรื่องเหตุปัจจัยมาใช้ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์สร้างความทุกข์แล้วก็อยู่ในความสัมปัน์กันความคิดนี่ภาษาในใจหรือภาษาที่ออกเราก็ใช้กัน อันนี้ก็เราก็มีความซ้ำปังกันม่ก็ว่าอันนี้เป็นแอปเปิ้ลนี่เป็นกล้วยอษรแล้วก็เลยเข้าใจจำภาษาแล้วก็คิดได้นี่คิดนั่นได้ ก็ถ้าเราเขารบได้จริงๆความคิดนี่ก็เขารบได้แล้วก็มาใช้ให้เป็ีบประโยคได้เพราะว่าเราไม่ได้ติดสิ่งที่เราติดแล้วเป็นเป็ น, ปน่าข่มมันสิ่งของก็เป็นท่าของสิ่งของ ความคิดความเป็นภาษาหรือว่าอาการของจิตใจนี่ก็เป็นทำรายเราเราก็เป็นไม่มีศรัอยู่ไหนคุกของความคิดแต่ว่าเราก็รู้แล้วเห็นแล้ว เป็นอะไรเป็นอะไรก็มาใช้เราก็เคารพสิ่งที่เป็นความเป็นมาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเป็นสิ่งของก็ดีบันี้เป็นธรรมชาติเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าเป็นความคิด เป็นอารมณ์ต่างๆก็ดีเราก็เคารพกันได้แล้วก็มาใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราให้แผ็นรื่นเรเราไม่ต้มปฏิเสธไม่ต้มเป็นสัตว์รู้กับความทุกข์ได้เพราะว่าความทุกข์ก็ให้เรารู้เป็นให้เกิดปัญญา ให้บทเรียนแก่เราถ้าเราก็รู้แล้วก็วิธีการสัมปัสให้ถูกต้มให้ถูกทานทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นแปลงกูบาจามเป็นบทเรียนเป็นสมบัต ที่เป็นค่ามากถ้าเราเป็นเรือ่องเป็นธาตุของมันแล้วก็ทุกสินทุกอย่างเป็นมเมล็ดผลให้เกิดความทุกข์ได้แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนี่ก็พระพุทธเจ้าสองให้เราิธีการสัมปัต กับสิ่งที่เืิขึ้นรับไปเป็นธรรมะให้เป็นประโยชน์ให้ถูกต้นจะได้เราก็ก็ไม่ได้ทุกแล้วก็เพประโยชน์ต่อชีวิตต่อไปก็ได้ในปัจจุบันนี้ก็ได้ ก็สำหรับย็นนี้ก็เหมสมกัรเกิเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุ ก, ท, ก, ท, กท่านได้ปฏิบัติให้ขยันแล้วก็มีความได้ผมเต็มมรรคปนิพานในปัจจุบันาชาตินี้ทุกคนเทอ